อาจารย์ครับการนมัศกา ร, รครับเจรเินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าอาจารย์พาาิทับา์คนเดยอะไหมครับประมาณห<อ>้าร <55 8. S 1> ้อยหกสิบห้า้อยห้าสิบแปดแล้วทำไมวันนี้เยอะครับอาจารย์มันพระดวง ว, วันพระด้วยครับออสองคนชวนเงิน แล้ววันนี้ตอนบ่ายคนไปฟังธรรมเยอะไหมครับอาจารย์ครับที่น้ากุฏิประมาณสักร้อยเก้าสิบครับรวมเงนทั้งหมดก็แปด้อยกว่าครับร้อเก้าน้อยไม่แน่ําไม่ได้ครับได้ยินว่าพระอาจารย์เปลี่ยนแปลงกําหนดการเล็กน้อยแหละครับอาจารย์ที่หน้ากุฏิครับอาจารย์ครับก็พูดชั่วโมงนึงแล้วสร็จมันเหนื่อยแล้วบางทีมันก็มันจะเอาอะไรมาพูดก็เลยขอ พูดเพียงครึ่งเดียวคือสามสิบนาทีแล้วเวลาที่เหลือเอง ก, ก็เอามานั่งสมาธิกันแทนครับก็ดีเหมือนกันไม่เหนื่อยมากสามสิบนาทีมันผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผมว่าดีใช่ผมว่าดีนะครับภาพ ก, กายแล้วก็พาพจิต ด, ด้วยใจก็นิ่ ง, น, งนั่งนิ่งสงบ ญาติโยมเขชอบเขาบอกว่าเขาก็เขาจะได้ฝึกหัดนั่งเองโดยที่ไม่ต้องใช้เสียงทำนะครับครับฟังมานานแล้วก็ได้นั่งบ้างครับอาจารย์อ่าก็ดีได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งเสมอที่ได้ทั้งปัญญาครับปัญญาก็เกิดจากการฟังสมาธิก็เกิดจากการนั่งครับเราได้ทานต่อด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อ่าทำหมุนลำตานะทักษาศี่ครับ ต, ตัวสําคัญก็คือสมาธิกับปัญญาตัวที่จะมาต่อสู้กิลเลสได้ต้องสมาธิกับปัญญาครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยอยากกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับมีคนถามเยอะกายเวทนาจิตธรรมครับอาจารย์ครับในกราบขอปัญญาพระอาจารย์ครับคือเบื้องต้นต้องเข้าใจว่าพระสูนี้ส่งสอนการปฏิบัติสามขั้นตอนด้วยกัน สอนขั้นแรกให้เจริญสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจจะลอยใจจะฟุ้งซ่านใจจะไม่สงบเอ mm hmm. ็นอันดับแรกต้องเจริญสติตั้งแต่เตืินจนหลับ น, นี่ท่านสอนพระนะเพราะพระไม่มีงานอยู่ในธรรมทํามีหน้าที่จเจริญสติอย่างเดียวสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายทรงเปรียบเทียบเหมือนกับลอยเท้าช้าง ที่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดสามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดในป่าได้ก็เปรียบเทียบว่าสตินี้สาคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายแม้แต่สมาธิวิปปัญญาก็ไม่สำคัญมากกว่าสติเพราะว่าถ้าไม่เป็นสติสมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาาก็เกิดไม่ได้เห็นเบอกตอนนี้ส่งสอนให้เจริญสติกายากตาสติ มีอยู่รู้สึกในในสติประธานในในในส่วนของร่างกายท่านมีสอนว่าให้เจริญสติในเอิรยียบที่ใค้รู้ว่ากาลังยืนกาลังเดินกลังนั่งกาลังนอนผูกใจไว้กับร่างกายอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้คอยอยูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิรยยบทายแล้วถ้าทำอะไรก็ให้รู้ว่ากาลังทำอะไร ใช่กำลังบินธบาตกลังรับประทานอาหารกาลังอาบน้ำกาลังแปลงฟันไม่ว่าจะทำอะไรให้ผูกใจไว้กับร่างกายตั้งสติอยู่ที่ร่างกายให้ใจรู้อยู่แต่การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้าสามารถจริญสติให้เป็นสัมาชัญญยได้อันที่สองก็ไปฝึกสมาธิ การดูสมาธิก็ให้ใช้อานาปนานสติคือนั่งดูลงหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกแต่บางบางแห่งเขาก็ใช้ยุบหน่อพองหนอให้ดูที่หน้าท้องแทนก็อันเดียวกันเป็นการดูลงเหมือนกันแต่ในในพระตไตรปิฎกในพระสติปัฏฐานให้ดูที่ปลายจมูกแต่กุบาจารย์ท่านอาจจะบาปรับว่ามันดูยากให้เราดูที่หน้าท้องแทน หายใจเข้าท้องก็พองขึ้นมาหายใจออกท้องก็ยุบลงไปก็จะให้ดูที่หน้าท้องยุบเนอะพองเนาะแต่ในสติปัฏฐานส่วนนี้ท่านให้ดูที่ <c oughs> ปลายจมูกแล้วการดูลมนี้ก็ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกๆยาวๆห้ามทำเหตุการณ์เพราะเป็นการทํางานของจิต เราต้องการหยุดการทำงานของจิตต้องการให้จิตรู้เฉยๆ <c oughs> จิตถึงจะนิ่งง่ายจิตจะพักได้ทำจิตไม่ทํางานอะไรถ้าไปบังคับให้ร่างกายหายใจเร็วหายใจยาวนี่เป็นการทํางานของจิต <c oughs> จิตก็จะให้มีกามสงบได้ให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆรู้ว่าหลกมันนำเข้าหรือกําลังออกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดรู้ตามความเป็นจริงไปไม่ต้องทําอะไร เมื่อนั่งดูดูทีวีแล้วก็ดูไปเฉยๆไม่นำมาทําอะไรไม่นำไปควบคุมภาพในจอทีวีให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อ <c oughs> ถ้านั่งนี้ได้สติต่อเนื่องจิตก็รวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิได้บางตอนก็ได้คณิ ก, กะก่อนได้แค่าวาบเดียวเพราะสติยังมีกําลังไม่มากพอแต่ถ้าฝึกสติต่อไป แล้วก็สลับกับการนั่งสมาธิต่อไปก็จะได้อัปปนาสมาธิจิตลมลาามิระระยะเวลายาวนานขณะที่จิตลมนี้จิตจะปราศ จ, จากอารมณ์มีอุเบกขาเป็นที่ตั้งปราศ จ, จากความลักชังกลัวหลง <c oughs> อันนี้เราเป็นกําลังของจิตที่เราต้องการไว้ในการเอาไปใช้ปัญญาเพื่อต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปเมองตอนต้องให้ชํานาญทางสมาธิก่อน สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็ให้มาพิจารณาร่างกายก่อนศึกษาว่าร่างกายนี้เป็นตายรักหรือไมืไม่อเที่ยงหรือไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมแสดงว่าเป็นอนิจจังที่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะปัญญาให้ใช้ พอไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสมุทัยเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นมะีภาวะตานาตัาหาเกิดขึ้นไม่อยากให้ร่างกายแก่เจ็บตายใจยก็เลยทุกข์ <c oughs> แต่ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ยอมก็ยอมยอ ม, ยอมปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปคืออยากไม่อยากมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ถ้าไปอยากเราทุกข์ถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ ให้ยอมนะยอมยอมให้มเป็นไปตามสภาพของมันแต่ไม่ได้ห้า ม, มนในการดูแลรักษาป้องกันนะป้องกันได้ก็ป้องกันดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของมันในที่สุดมันก็ต้องแก่แล้วในที่สุดก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็ต้องตายถ้าใจยอมไม่ไม่ไมปมีความอย่างให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์ อันนี้เพราะเห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นสภาพธรรมเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้แม้แต่บอกว่าควบคุมไม่ได้ร่างกายเนี่ยห้ามมัไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้ร่างกายของโมก็ต้องแก่เจ็บได้ฉะนั้นต้องยอมรับความจริงแล้วก็อย่าไปฝืนความจริงใจก็จะไม่ทุกข์นี่ส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราพิจารณา อีกส่วนหนึ่งก็คือร่างกายสวยกอไม่สวย ห, หน้าดูหรือไม่น่าดูถ้าเราเห็นม่านางกายสวย ห, หน้าดูเราก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเกิดการมาราคะเกิดความอยากจะมีเพศสำมรับเขากับร่างกายของคนนั้นคนนี้ถ้ามาเป็นพระถือศีลแปดถือศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดก็ห้ามเปนประราชิกถ้าไปร่วมเพศกับคู้อื่นกะ็ต้องเหมือนพิจารณาสุภาพอยู่เรื่อให้เห็นร่างกาย อาการ32 ท, าารที่มีอยู่ใต้ผิวหนังอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกหัวใจตับปอดไตลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเห็นอาการเหล่นี้แล้วการบรรลักะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดก็ดับมันได้ทันทีก็จะสามารถละ ก, การบรรลักะได้อันนี้คือเกี่ยวกับร่างกาย อผ่านนั่งกายเราก็มัาดูเวทนาเวทนาก็มีมาจากทางร่างกายนี้แหละทางกายเวลาเจ็บไขยได้ป่วยกระทุกขเวทนาเวลาหายจากการเจ็บไขยได้ป่วยก็เป็นสุขเวทนาเวลาไม่เจ็บไม่หายจากเฉยๆก็เป็นกลางกลางเวทนาเวลาหิวข้าวกระทุกเวทนาเวลาอิ่มก็สุขเวทนาเวลาไม่หิวไม่ ไม่อกกเป็นเวทนากลางการเนี่ยร่างกายมันจะมีพ ล, ลังเวทนาเหล่านี้ให้ใจได้สัมผัสตลอดทั้งวันนะเมื่อตื่นขึ้นมาคุณหมอสังเกตดู ว, ว่าถึงขึ้นมาให้ตอนนี้ร่างกายมันรู้สึกยังไงมันจะบอกทางเวทนาเราท <Okay. S 1> ุกอย่างก็จะเป็นการกลางนอกจากเวลา ก, ากาปวดศีรษะขึ้นมาปวดท้องขึ้นมาอ่าทุกเวทนาเกิดนะ <c oughs> อันนี้ก็พิจารณาว่ามันเป็น ถ้าตายรักเหมือนกันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์บ้างห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันฆ่ามันไม่ได้ไไดเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศถ้าไปควบคุมอย่างให้มันมีแต่สุขกับเวทนาก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับให้มันยอมรับความแปรปวนของเวทนาแล้วก็หัดทําใจให้อยู่กับมันไป สุขเวทนาก็อยู่กับมันไปแต่ไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่ามันของไม่เที่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาสลับกันไปอย่างนี้แล้วแต่เหตุ ป, ปัจจัยที่ปรากฏในร่างกายหรือมากระทบกัร่างกายหุ่นใจให้วามเฉยกับทั้งเวทนาทั้งสามแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าเกิดความอยาก เวลาเจ็บตัวอยากให้มันหายนี่มันจะทรมานใจด้วยอันนี่ก็คือการพาิจารณาเวทนาเพื่อปล่อยวางให้เห็นว่าเวทนาก็เป็นตายนักแล้วมาที่สามก็คือจิตจิตก็เป็นตรยักจิตก็คืออารมณ์ในจิตเปนแปดปูนไปแบบบางวันอารมณ์ดีบางวันอารมณ์เสียบางวันสดชื่นเบกบมนบางวันซึมเศร้าอารมณ์ต่างๆถ้าไปอยากให้มันเ บ, บิกบานอย่างเดียว มันก็อยากให้สุขก็เวทนาอย่างเดียวมันก็อยากทุกข์เพราะว่าอารมณ์มีเหตุมีปัจจัยมามันทำให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหตุปัจจัยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสที่ไปสัมผัสรับรู้น้ำน้ำสัญญาสังขารความจำได้ไว้รู้ความคิดปรุงแต่งมันมาทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ต้องอยากไปทุกข์กับมันด้วยการอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หัอยู่กับมันไปใ ห, ให้รู้ให้รู้ทันเช่นพอมีควา ม, มรู้สึกว่าวันนี้เศร้าอ่ะก็รู้ว่าเศร้าแต่มันเป็นอารมณเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าไปอยากให้มันไม่เศร้ายิ่งทุกข์เนี่ยทุกข์ขึ้นมาอย่างชั้นหนึ่งทุกข์ที่เกิดจากความอยากแถ้าเราไม่เกิดความอยากให้มันไม่ไม่ไมให้ความเศร้าหายไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็หายเองไปเอพราะเห็นปัจจัยที่ทําให้มันเกิดทังหมดไปความเศร้ามันก็จะหายไป ไปแล้วก็จะอยู่กับอารมณ์ของจิตได้ทุกอารมณ์บบก็อยู่ได้เช่าก็ได้มุ่งเห็นก็ได้อะไรก็ได้รู้ว่ามันก็เป็นของชั่วข่าวเป็นอนิจจทุกขนานอนัตตาเนี่คือกาจัดความอยากทุกระดับความอยากในร่างกายความอยากในเวทนาความอยากในจิตพอความอยากทั้งสามหมดไปจิตก็บอยสดขึ้นมา เป็นนิพพานขึ้นมาก็เท่านี้ที่พจารย์สอนจ็ดวันจะเดือนเจ็ดปีก็ก็อยู่กับว่ากิเลสหนาหรือกิเลสบางสติปัญญาแหลมคมหรือไม่แหลมคมมันตัองเรียนที่อยู่ในชั้นเดียวกันบางคนก็ได้สี่จุดบางคนก็ได้สามจุดบางคนก็ได้สองจุดทําไมไม่เท่ากันเพราะสติปัญญาไม่เท่ากันกิเลสไม่เท่ากัน ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมก็ฟังมาสิบปีแล้วอาจารย์้าไม่ได้มันยากที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวสติเนี่ยยากที่สุดเนี่ยเพราะจะฝึกสติได้แบบต่อเ น, นื่องทำบัตญจะยากนี่ต้องไปอยู่แบบนักบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ยุ่งกับใครเลยไม่งั้นถ้ามีเงินทำมีคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องด้วยใจมันไปกับเรื่องราวต่างๆที่มาประทบแล้ ถ้ามันนั่งสมาธิมันก็ไม่นิ่งเลยมันก็จะคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนเรื่องคนนี้อยู่น่างได้ไมีนานก็ทนน้ําต่อไปไม่ไหวเพราะมันเรื่องอึดอัดเพราจิตมันเริ่มดิ้นปัญญาจะไปทำนัำ่นทะํานี่แล้วขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ปัญญาครับผมจะขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับถามคําถามจากเพื่อนๆ น, นะครับคุณดาบอกว่าเพื่อนขอลุกแมวไปเลี้ยง คนให้บาปไหมครับถ้ามันเป็นของเราก็ไม่บาปนะถ้าเราก็เหมือนกับทรัพย์สมเราเป็นทรัพย์สินของเราอย่างหนึง่งให้ก็ไปก็ไม่บาปถ้าเข้าไปดูแลเลียดูอย่างดีคุณแว่นครับจะรู้ได้อย่างไรครับว่าการทำสติปัฏฐานสี่ข้อใดเหมาะกับตัวเราครับ ก็ข้อหนึ่งทุกคนต้องสติก่อนไงฝึกสติให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธิถึงจะไปทางปัญญาต่อไปคุณสมพรครับบอกว่าบางครั้งเกิดความรู้สึกอาฆาตแต่ไม่พยาบาทต้องแก้ด้วยหลักธรรมข้อใดดีครับให้เมตตาให้ความให้การอภัยถือว่าเราอยู่ด้วยกันแบมนนิ่นกับฟัน บางทีก็ต้มีการผิดพลาดกระทบกระท่ำกันบ้างก็อย่าไปตัดดิ้นหรอกจะไปถอนฟันทิ้งก็ควรอยู่ร่วมกันให้ได้อยู่ด้วยความเมตตาต่อกันให้อภัยกันเขาอาจจะผิดพลาดวันนี้พรุ่งนี้เราจะผิดพลาดเราให้อภัยก็วันนี้พรุ่งนี้ก็ว่ า, า จ, จะให้อภัยเราเราถึงไม่มุนวายวันที่เราเห็นตามข่าวทุกวันเนี้ให้ให้อภัยกันไม่ได้ไม่รู้ไรู้จักคําว่าให้อภัยเป็นยังไง จองเวียนจองกรรมกันจองอะไรของมันทุสำมันร้อนใจมันร้อนพระอาจารย์แนะนําว่าให้นั่งบนเตียงนานสี่ชั่วโมงไม่ให้นอนแต่ยืนสมาธินั่งสมาธิได้ขอถามว่าทำไมถึงไม่ให้อ่านหนังสือธรรมะช่วงสี่ชั่วโมงนี้ครับ อ, อ๋อไม่อยากให้พึ่งสิ่งภายนอกนะให้ใช้สิ่งที่มีอยู่ในใจก็คือใช้สติใช้ปัญญา สองตัวนี้สู้กิกเลสเรต้องการสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาถ้าเราไปอ่านหนังสือธรรมะเราต้องไปพึ่งสิ่งภายนอกถ้าเกิดไม่มีหนังสือธรรมะอ่านเราจะทํำยังไงไม่ให้พึ่งอะไรเลยนอกจากพึ่งในสิ่งที่มีในจิตก็พึ่งธรรมที่มีในจิตเนี่ยกายวิทนาจิตธรรมนีะธรรมก็คือเนี่ยสติปัญญาสมาธิที่เป็นคู่ คูดต่อสู้เครื่องมือที่ต่อสู้กับกิเลสตัห า, าได้เอาให้ความอยาอกหมอบลงได้โอกาสครับเพื่อนๆทางติ๊กต็อกสามารถจะส่งคำถามเข้ามาได้แล้วนะครับจากคุณนิจลีครับยุคนี้คนรวยมีลูกยากเพราะคนมีบุญไม่มาเกิดหรือเปล่าครับ ไม่หรอกเพราะเทคโนโลยีของสมัยนี้ก็มีวิธีกลุ่มกําเนิดกันนะอะไรยังไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันมันมีลูกแล้วมันเหมือนก็นมีพันธะกรณีต้องเลี้ยงดูแม่เคแต่งตัวสวยๆงามๆก็ไม่สามารถแต่งตัวได้เวลามีลูกอ่อ น, นี้ก็าไปเที่ยวไปไหนก็ไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกคนที่คิดอยากจะหาความสุขก็มักจะไม่อยากจะมีลูกกันนะ เราจะทําใจอย่างไรกับไม่ให้เป็นทุกข์กับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันครับอาจารย์ก็ดูว่าเป็นอารมณต่างไงเป็นเหมือนดินฟ้ากันทำยังไงได้เราทําอะไรไม่ได้แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวเราทําอะไรได้มาก็ต้องยอมรับมันไปอยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน คุณสุธีรัตน์ครับข้อที่หนึ่งครับถือศีลแปดเวลาอาบน้ําเราสามารถใช้ครีมอาบน้ําที่มีกลิ่นหอมได้ไหมครับคือโดยปกติเราก็ไม่ต้องการที่จะใช้เครื่องสำอางมาฉลองร่างกายเราเท่านั้นเองความหมายก็คือไม่ต้องการให้หาความสุขจากการใช้เครื่องสำา่างเึ่นของหอมๆทาแล้วให้ร่างกายมันหอมอะไรอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเวลาอาบน้ําทําระร่างกายแล้วมีครีมมีนสบู่ที่อาจจะมีกลิ่นบ้างก็อนุโลมกันได้นะ่ะถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เสกมันถ้าเราไม่ได้ยินดีกับกลิ่นหอมแต่เรายินดีกับสบู่แล้วครีมที่ามาใช้รักษาทําความสะอาดร่างกายเพราะสมัยนี้มันหาสบู่เนี่ยแบบไม่มีกลิ่นไม่ได้ถ้าจะไม่ได้แล้เนยะเลยต้องอนุโลมผ่อนผันเงี้ยไปแต่ถ้าอยากจะเคร่งก็ไม่ต้องใช้มันเลยใช้น้ํเปาเปล่าก็หมดเรื่อง อาจารย์ครับตอนนั้นหลวงตาใช้สันไลแหรือครับใครทำ ส, ส oh. มุมนทรสัญไลศไม่มีกิน่นไม่มีกลิ่นสมุนทสัญไลศไม่มีกิน่น oh. ช่วงนี้นสัญไก่อนยังมีสมุนทสัญไลศขายอยู่เป็นการก้อนก้อ น, อนสี้อเหลืองครับครับเคยทันครับยังเห็นอยู่ครับข้อสองครับถือศีลแปดเราสามารถใช้ยาสระผมได้ไหมครับ ถ้าใช้สำหรับชำระร่างกายก็ได้ผมมันฝุ่งๆก็ต้องชำระเหมือนกันใช้ได้ข้อสามครับถือศีลแปดเราต้องเปลี่ยนจากการนอนฟูกที่ยัดด้วยนุ่นเป็นเนาะนอนเสือใช่ไหมครับคือไม่ต้องการให้นอนบนฟูกนหนาที่มันสบายเจอเกันไปถ้าได้ก็คือนอนนอนกับพื้นนอนกับปูเสือได้ดีที่สุดเพราะไม่ต้องการให้นอนมาก พรมันจำนอนไม่สบายเวลานั่งกายได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมาใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อถ้านอนบนพื้นปูด้เสือ่อแต่ถ้านอนมันเตียงสาํนนะารานฟูกหนาๆหลังจากที่นั่งกายได้พักผ่อนพอแล้วก็ตื่นขึ้นมาใจก็ไม่อยากจะอยากจะนอนต่อมันจะทําให้สเสียศูนยเสวนามีค่าสนอรการนําไปใช้กับการปฏิบัติการถึ่งศีลแปนี้มันมีไว้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม การรักษาบเบญจเฉชฌไม่ปฏิบัติทำมมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นั่งสมาธิแล้วทําไมจิตเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบครับก็อยู่ที่สติของเราส่วนหนึ่งแล้วอยู่ที่ใจของเราว่าเมื่อวายมากเมื่อวายน้อยบางวันก็มีเรื่องมากบางวันก็มีเรื่องเรื่องน้อยสติเราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีมันก็อะไรขึ้นๆลงๆอยู่ยังไม่เียฌ อาจารย์ครับมีคนบอกว่าขอให้พระอาจารย์ทาตขันแข็งแรงนะครับเหมือนใวหน้าตาขอหน้กันดีครับตอนพี่ม์บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ใจงดงามสงบสุขสวยงามครับ การทำบุญออนไลน์โดยใช้เงินออนไลน์กับทางวัดต่างๆทางออนไลน์ถือเป็นการทําทานสามารถอุทิศบุญได้เหมือนกับการใส่บาตรพระในตอนเช้าหรือเปล่าครับหรือว่าจะอุะทิศบุญได้ต้องใส่บาตรพระในตอนเช้าอย่างเดียวครับพอทําบุญเสร็จโอนเงินเมื่าจะโอนเงินทําด้วยอะไรก็ตามไม่จะใส่บาตรก็ได้จะจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ได้ชำระหนี้ส่วนก็ได้หรือช่วยสร้างกุฏิสร้างโบสถ์อะไรอันนี้เมื่อโอนไปแล้วก็สามารถอุทิศบุญได้ทันทีเลย ควรจะสอนลูกอย่างไรถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งไปลงจากตึกสูงหนีแผนินไหวนอกจากจิตมั่นมีสมาธิครับก็นั่นเราให้มีสติแล้วก็พังพุโทโธพุโทโธไ้ถ้าใจตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวก็ให้บริการพุโทโธพุโทโธไปไม่มีเวลาไปวัดแต่ชอบทำอาหารฝากยายข้างบ้านใส่ปินโตได้ไหมครับ ได้ได้ได้บุญแต่ไม่ไม่ได้บุญจากการที่เราไปใส่เองไปไปทําไปที่วัดเองนั่นเอ ง, เองแต่บุญที่เกิดจากการทำอาหารนี้ก็ได้ได้เหมือนกันฟังธรรมะตอนนี้อย่างไรให้เกิดผลครับฟังด้วยความเข้า อ, อกเข้าใจเวลาฟังแล้วต้องคิดตามถ้าเราเข้าใจ เหตุหน้าผลที่พูดถึงมันก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมามีโอกาสไปพัฒยาอยากไปพาแม่ไปตักบาตรพระอาจารย์ครับจะเริ่มช่วงนี้เริ่มมีธรรมะกี่โมงครับอาจารย์ครับประมาณห้านาทีก่อนหโมงเช้าความหวงคนที่เรารัก ความต้องการอยากรู้ว่าคนที่เรารักไปไหนทําอะไรเราจะใช้ธรรมะอะไรแก้ไขครับก็เราไม่มีตาทิพย์เนี่ยแล้วก็เห็นก้าแต่เฉพาะที่เราเห็นถ้าเวลาไม่เหนน็นก็อย่าไปคิดให้เสียเวลาปวดหัวเปว่าเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาครับถ้าเราจะมีความรู้สึกอาฆาตอยู่เป็นครั้งคราวแสดงว่าเรายังไม่บริสุทธิ์จริงในทางธรรมเจอด้วยกิเลสนาะนาะนะอยู่บ้างยมเข้าใจถูกไหมครับ ก็ยังไม่ให้อาภัยเขาได้อย่างเต็มที่ยังมีความโกรธเกลียดอยู่ในใจยอยู่ถือศีลห้าทุกวันจําเป็นต้องอาราธนาศีลทุกวันไหมครับไม่ต้องไม่ต้องให้รักษาแล้วก็รักษาไปเรื่อยๆนอกจากถ้าเราเลิกรักษาแล้วเราอยากจะกมารักษาใหม่ก็อาราธนาใหม่ คุณตีเล็กครับบอกว่าเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมจะแก้อย่างไรครับบางทีเราไปฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์ก็ช่วยได้หรือศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นก็ทำให้เกิดกําลังใจขึ้นมาขับรถทับหมูหักหลบแล้วแต่ไม่พ้นอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปถ้าไม่มีจิตนาความตั้งใจ การทำงานต่างๆในแต่ละวันเราก็จะเห็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติไปในตัวด้วยใช่ไหมครับเพราะบางทีเราเกิดความรู้สึกขุ่นมัวจิตตกบ้างแต่ก็ดีหน่อยที่มีปัญญาไปรู้เท่าทันแต่ปัญญาที่ไปรู้เท่าทันก็มีความดีเลย์อยู่ไม่น้อยจิตเกิดกิเลสอยู่พักใหญ่แสดงว่าโยมยังอ่อนสติอยู่ใช่ไหมครับเพราะมีช่วงกิเลสครอบงําอยู่พักหนึ่งจิตจะเกิดความสว่างเห็นปัญญาตามมาทีหลังครับใช่สติยังน้อยปัญญาอย่างน้อยไม่ทันกิเลส มันกิเหชียโชคหลายหลาหยมาดก่อนมวาจะตามทันการนั่งสมาธิเดินจงกรมควรเปิดเสียงทำไหมครับไม่คว ร, ร่ะสมัยพุทธการไม่มีเสียงทมเดินจงกรมก็เดินให้มีสติ ด, ดูการเดินไป วันนี้ไม่มีคำถามแต่เนื่องในโอกาสวันสงการอขออนุญาตกลับขอขมาพระอาจารย์ด้วยนะครับมีจิตวิตกกังวลจิตฟุ้งซ่านกลัวไปหมดควรจะวางใจอย่างไรครับก็เราก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เราวิตกกัวงวลว่าเราทำอะไรได้ไหรือไม่ถ้าทำอะไรไม่น่าก็ปล่อยมไปดีอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าทำอะไรได้ก็ทำสิ การปฏิบัติธรรมที่แท้คือต้องเกิดจากการปฏิบัติอาจเกิดจากการทำงานแล้วมีดวงตาเห็นธรรมน่าจะไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือธรรมะที่ออกจะเป็นตัวหนังสือขาดความกระจา่างเกิดจากการปฏิบัติรู้ได้ด้วยตัวเองโยมคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับการมีดวงตาเห็นธรรมของแต่ละคนเนี่มันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าในอดีตที่ต้อนสะสมปัญญามานี่อาจจะไม่เท่ากันบางทีเห็นวงตายก็มีดวงตาเห็นธรรม ไปบวชเลยอย่างพระเจ้าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็ตัดสินใจไม่อยู่แล้วเห็นนักบวชเห็นเวทวดาสีบางคนต้องสูญเสียภรรยาก่อนภรรยาไม่ชู้ก่อนไอ้ ห, หลวงปู่ขาวนี่ท่านก็มีภรรยาแล้วภรรยาก็ไปมีชู้ท่านก็จับได้ตอนต้นท่านก็ก่ออยากจะฆ่าทั้งสองคนเลยพอดีได้สติยับยั้งว่าถ้าไป็ฆ่าเขาเราก็ยิ่งเลวกว่าเขาเขาเพียงแต่ฆ่าทำผิด การมาพูดถิ่นในการนี่เราไปฆ้าเขาเลยบาปหนักกว่าเขาอีกหลายเท่าก็เลยเห็นเห็นความทุกข์ในการมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆก็เลยตัดสินใจไปบวชดีกว่าเพ่อจะได้ยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ่ะแต่บางคนอาจจะสูญเสียทรัพย์แต่ส่วนใหญ่ก็เจอทุกข์ข้างหน้นนะทุก ทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดใช่ไหมบ่ตายเห็นธรรไม่เกิดแต่ถ้าเจออะไทุกข์หนักๆเข้าเนี่ยวันนี้ก็ไปอ่านเจอไม่ทราบคุณหมอเคยได้อา่านว่ามีแพทย์หญิงคนหนึ่งคือการเล่า บ, บอกว่าตอนที่กเป็นแพทย์เนี่ยตอนที่กายก็ยังอจบแพทย์เรื่องอะไรทำนองนั้นทำานแพทย์ตอนนั้นร่างกายไปแข็ ง, นนขงแรงสมูลแกก็เห็นว่าศาสนาพุทธนี่ไม่มีความจําเป็นอะไรอย่างไรต้องมี แกก็อยู่อย่างมีความสุขของแกได้แล้วก็เรื่องที่พระพุทธเจ้าประสูตุออกมาแล้วเดินหน้าเจ็ดก้านี่ฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนฉลาดแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อจัดระบีบให้กับสังคมให้คนมีความนับถือเชื่อถือขึ้นมาแต่ว่าหนึ่งแกก็ไปเจอโรคของแกเองที่โรคเจ็บหนังอะไรเนี่ยไม่ทราบแล้วแกก็บอกว่าเป็นหมอหมอทั้งโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายหายวิธีไม่ได้ ก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าลองไปศึกษาพุทธศาสนานดูจะช่วยให้เราทำใจได้ลดเราความทุกข์ทรมานได้พอเราไปศึกษาทมลองไปฝึกสตินั่งสมาธิใจก็สบายขึ้นก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าเห็นเป็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนานขึ้นคนเราต้องเจอทุกข์ก่อนมีทุกข์ก่อนแนละ้วมันถึงจะต้องหาคำตอบหาวิธีแก้เมื่อ สิ่งที่เรารู้ในโลกนี้ไม่สามารถแก้ควาทุกข์องเราได้เราก็ต้องหาสิ่งที่เราไม่เคยรองใช่ไมัมเคยได้ยินคล้ายๆเรื่องนี้เลยครับอาจารย์น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแหละเป็นท่านหญิงนะคร <Basically> ับเราเอาของไปแจกทานครับเพื่อนโอนเงินมาฝากทําทานด้วยอย่างนี้เพื่อนได้บุญมากน้อยแค่ไหนครับในคุณหมอ่านในที่นี้มันพิการด้วยบอกว่า เขาเอาของไปแจกทานครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยโอนเงินมาฝากทําทานไปด้วยครับอย่างนี้เพื่อนจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนครับเขาก็ได้บุญส่วนที่เขาเบริจาค ม, มาให้เราเราก็อาจจะไม่ได้บุญส่วนนั้นไปเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นคนมาเอาไปจากเราถ้าเราไม่อยากจะสูญเสียบุญส่วนนี้เราก็ต้องเพิ่มเพิ่มของเพิ่มอีกส่วนที่เพื่อนก้าจากเราไป คุณบัวครับถ้าป่วยใกล้ตายรู้ว่าจะต้องตายอีกไม่กี่วันขอพระอาจารย์ชี้แนะว่าเราควรคิดหรือนึกถึงอะไรที่จะไม่อะไรอววรลูกเมียแม่พ่อโปรดแกชิดครับก็มันเป็นสัตรธรรมความจริงไนชีวิตของทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงแก่ความตายถ้ามันไม่ได้นั้นวิธีที่จะตายอย่างสงบก็คืออย่าไปฝืนอย่าไปอยากให้มันไม่ตาย้ไหนวให้มันตายไป การเจริญจิตตานุปัสสนาวในขณะที่จิตรู้ลมหายใจอยู่สติสามารถไปรู้จิตได้ซึ่งเป็นคนละอารมณ์กับจิตถูกหรือผิดครับคนนั้นเรื่องอะไรถ้าดูลมให้ดูลมอย่างเดียวนี่นั่นสับสนกันเอาลมด้วยเอาจิตด้วยมาปนกันไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติพอเราดูลมนี้เราต้องการทำให้จิตสงบให้น่งไม่ให้คิดปูแต่งนี่พอเราไป พิจารณาจิตมันก็ไปคิดปรุงแต่งนะแทน ท, ที่จะทําใจให้นิ่งสงบ ม, มันก็เลยไม่สงบสมาธิก็เลยไม่เกิดเวลานั่งสมาธิเราดูลมอย่างเดียวเราไม่สนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราดูลมอยู่ให้กลับมาอยู่ที่ดมพอมีอะไรบันดึงไปพั๊บก็ต้งกลับมาหาที่ลมต่อไปถ้าไมงั้นจิตจะไม่ดมเป็นสมาธิได้ ที่ว่าหากปฏิบัติจริงจะเข้าถึงบรรลุธรรมคือการบรรลุธรรมที่เห็นด้วยปัญญาตัวเองหรือเปล่าครับท่านนั้นแหะปัญญาที่เราเห็นก็คือเห็นตายนะักอย่างไม่ต้องเห็นตอนที่เราเกิดความทุกขนะ์เช่นไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นอะเรขั้นสุดท้ายเนะี่ยใจเราเป็นยังไงสุขหรือทุกข์หกอยทุกข์มากแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ถ้าเราอยอมรับความจริงทุกนั้นก็จะหายไปนะนี้เือการบรรลุธรรมนะอาจารย์ครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งครับอายุสี่สิบเองครับอาจารย์เพิ่งจบปริญญาเอกแล้วก็รู้เ <c oughs> พิ่งมารู้เลยครับเพาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอาจารย์ ม, มะเร็งกระจายไปทั่วแล้วครับถ้าก็ทําใจได้ก็อาจจะบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ได้ครับตอนนี้เขาไปทําบุญทุกที่เลยครับ เดินทางไม่ทำอะไรทำแต่บุญแล้วครับใช่ทำบุญไม่พอเราต้องปฏิบัติตั้งภาวนาจับรรลุธทรมได้ทำบุญก็เพียงแต่ช่วยบรรเทาความความเครียดความทุกข์ให้น้อยลงไปหน่อยแล้วก็อาจจะหวังว่าบุญนี้เป็นเป็นะเป็นปัปนปจจัยนำพาไปสู่สุขติต่อไป ไปทำบุญแล้วตั้งจิตขอให้ถูกหวยเวลาถวายปัจจัยและเครื่องบริวารพระป่าอย่างนี้ผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเพียงว่าไม่ได้มันไม่ได้หรอกการขออะไรจากการทําบุญนีมน่มันไม่ได้แล้วนอกจากมันบังเอิญมันเป็นมันเหตุที่จังหวะจะถูกขึ้นมามันก็ถูกกันของมันไปได้เองแต่การทําบุญสิ่งที่ได้นหน้าก็คือความสุขใจแล้วก็การพัฒนาใจให้สูงขึ้น ถ้าเป็นรนุษยก็จะไปเป็นเทวด า, าต่อไปเวลาร่างกายนี้ตายไปลงตาครับน้องสาวมาหาแล้วใจไม่อยากให้อะไรน้องอย่างนี้เป็นการเห็นแก่ตัวหรือเปล่าครับก็เป็นการตระหนีเป็นการหนีห่วงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใจไม่กว้านใจไม่เป็นทานต้องหัดทาทานบ่อยๆแล้วต่อไป ก็จะยินดีให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนได้นคนนี้ถ้าเป็นสิ่งถ้าถ้าเราไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรามีใครที่เราพอจะให้ได้เราก็ให้ไปการทําบุญที่วัดกับทําทานให้กับผู้ยากไร้แบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันบุญที่เกิดจากการให้เท่ากันแต่ประโยชน์จากคนรับนี่ไม่เท่ากัน ถ้าไปวัดทำบุญที่วัดเราก็ได้ธรรมะแต่ถ้าไปทำบุญกับคนที่คนยากคนจนเขาไม่มีนะรธรรมะให้กับเราคุณสุภาพพรครับในการทำบุญเช่นมีการทำวัตถุมงวัตถุมงคลเหรียญพระหากคนทำบุญยี่สิบหรือร้อยบาทพระท่านตําหนิว่าไม่เหมาะสมตําหนิเหมือนว่าทำบุญน้อยเกินไปไม่พอข่าแรงทำเหรียญพระ ทำให้โยมขัดข้องว่าทําไมท่านต้องตําหนิคนที่ทําบุญยี่สิบาทร้อยบาทอย่างนี้โยมบาปไหมครับไม่บาปแล้วท่านอยากจะได้เงนินเยอะๆให้ทําบุญ น, อ น, น้อยครับควาจริงการทำบุญไม่ควรเป็นบังคับอะไรนะไม่ควรนะเป็นกำหนดว่าคนนี้ทํำท่านนั้นคนนี้ทํำท่า น, นี้ต้องปล่อยให้เป็นไปกําลังของศรัทธาและกําลังทรัพย์ของแต่ละคนที่ไม่มีมีมากน้อยไม่เท่ากัน การสวดมนต์แต่ไม่รู้คำแปลเราได้อ น, นิสงฆ์ไหมครับที่เราได้สติไงถ้าเราสวดแล้วเราไม่ไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้เราก็จะได้สติแต่เราจะไม่ได้ปัญญาคือความเข้าใจในบทสวดนะว่ากำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่มีอะไรครับถ้าอารมณ์มีความขุ่นมัวมีความอาฆาต แสดงว่ายัางไม่บรรลุถามบรรลุตามที่กำหนดวาภายในเจ็ดวันเพราะยังมีกิเลสเกาะติดอยู่ถูกไหมครับใช่ตักบาตรตอนเช้ากับถวายเพนได้บุญเหมือนกันไหมครับอาจารย์ได้เหมือนกันถ้าปริมาณของการเจริญสละเท่ากันถ้าใส่บาตรน้อยหและถวายเพนน้อยหนึ่งก็ได้บุญเท่ากัน <c oughs> ก็ถามต่อว่าการให้ทานกับคนยากลําบากขอทานคนไร้บ้านอย่างนี้เป็นบุญใช่ไหมครับก็ได้บุญเหมือนกับรให้พระเนี่ยพระก็เป็นขอทานดีๆนี่เป็นตัวอย่างเราเรียกว่าขอทานบรรดาศักดิ์ท่านมีศีล <Okay. S 2> เอาถึงที่ไหว้พระเวลาที่เราทําบุญกับพระเราไหว้พระเพราะว่าท่านมีศีลแต่ท่านก็เป็นขอทานดีๆท่านก็อยู่ด้วยการให้ของพวกเราเนี่ย คนเรามีอายุไขที่กําหนดมาแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทําให้ตายได้สั้นก็ได้วก็ได้ช้าก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นอนิจจ์อนัตตาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เวลาไหนในขณะที่เรานั่งฟังธรรมกับพระอาจารย์ตอนนี้เราได้บุญไหมครับ ก็ถ้าได้ปัญญาได้ความเข้าใจก็ได้บุญบุญที่เกิดจากการการปัญญาขึ้นมาหนูกขอกราบเรียนถามว่าถ้าเราถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่ลำพังแต่ว่าเรายังฝันดีพบเจอคนดีๆคอยเชื่อช่วยเหลือดูแลให้ของดีๆแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบยังอยู่ในขั้นเทพและเรายังไม่ถึงขั้นพรหมใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าคนปฏิบัติธรรมได้ชาแนละมักจะไม่ค่อยฝันได้แต่ยังยังฝันอยู่ได้แต่ไม่ใช่อาจจะน้อยมากในนานทีนั่งสมาธิอย่างไรให้จิตสงบครับตอนนี้นั่งยังไงก็ไม่สงบครับเพราะไม่มีสติต้องไปฝึกสติก่อนพยายามควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้อยู่กับร่างกายไปทั้งวันทั้งคืน ยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทำอะไรก็ผูกใจไว้กับร่างกายอย่าให้ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เวลานั่าสมาธิก็จิตก็จะเนิ่งให้อยู่กับลมก็จะอยู่กับลงถ้าไม่ไปไหนเดียวจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้นมาพิจารณาอย่างไรให้ใจรู้ว่าเวทนาไม่มีตัวตนครับก็มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ สั่งมันไม่ได้ถ้าเรบังไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศมีตัวตนหรือแปล่าเราสั่งให้ฝนตกมันไม่ตกได้ไหมท่านาานายวทยานาแบบนั้นเนละตอนนี้มีการทํานายอนาคตกันเยอะมากครับเชื่อถือได้ไหมครับพระพุทธเจ้าทํานายแม่นที่สุดกัำไม่เชื่อกันนะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในอนาคตของร่างกายทุกคนเนยะแม่นที่สุด ไม่เชื่อกันชอบไปเชื่อ้เรื่องที่เขาทุกเชื่อได้รู้ไม่ก็ไม่รู้ไม่ทรบเป็นยังไงนะไม่ชอบความจริงกันชอบชอบของปลอมกันคนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนเราควรให้อภัยเขาเพื่อไม่เป็นกรรมต่อกันใช่ไหมครับเพื่อให้เราใจสบายไม่ทุกเนะีถ้าเราอยากจะได้คืนเราก็จะทุก แล้วที่ว่าเป็นเงินเป็นเป็นการใช้หนี้เก่าไปไม่ว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปมันไม่กลับมาแล้วอยอมให้มันไปเราก็จะไม่ทุกข์บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้บุญไหมครับไม่ได้นะนอกจากว่าบริจาคตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องให้ให้อวัยวะไปเล ย, ยเช่นบริจาคตบริข้างหนึ่งหรือบริจาคเลือดอ ใบจ่าตาไปข้างเนี่ยเราจะเห็นผลที่เกิดขึ้นว่าผู้ที่ได้รับเขาได้รับคุณประโยชน์จากการบริจากของเราแต่ถ้าตายไปแล้วนี่เราไม่รู้แล้วว่าเขาเอาร่างกายเราไปทำอะไรบ้างอย่างไรใจยังไม่มีความรู้สึกสุขขึ้นมาความสุขก็คือบุญเอง คนที่ต่อสู้ชีวิตมาด้วยความยากลำบากด้วยลำแข้งลำขาตัวเองเป็นหลักมักจะมีความแข็งอยู่บ้างด้วยเพราะสู้ชีวิตมาเราต้องปรับความสมดุลให้ไม่ขึงขังมากไปต้องใช้หลักธรรมข้อใดครับรก็ต้องมีความเมตต า, า ม, มีฐานเมตตากรุณาเมตตาต้องมีใจที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยมีความเมตตาไม่ผู้อะไรทำอะไรอย่าไปท้าไม่พ้นเ่งเขาเสียหายเดือด้อน ถ้าใครเดือดร้อนต้องการคออวคามช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะช่วยเหลือเรามากถ้าใครเขได้ดิบได้ดีก็คนจะดินดีกับเขาไปใช้พวงไม้หารสี่ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาไปถือว่าเป็นกรรมของเขาไปนั่งสมาธิทุกวันจะออกห่างจากคนพาลได้ไหมครับ คือเราอยู่ในโลกนี้น่าหนีไม่พ้นหรากถ้าอย่างนั้นยั ง, ยงต้องเจอตั้งอยู่กับคนอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปนหนีเลยมาฝึกจิตยอมรับเขาดีกว่าง่ายกว่าว่าเราอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนพานทั้งคนฉลาดเราก็เลือกคนคนฉลาดพุทธศาสนามาอย่าไปครอบคนพานิชย์คบบัณฑิตนะคุณพรครับบอกว่าแม่เสียแล้วเอาผ้าถุงแม่อัดกรอพห้อยคอได้ไหมครับ ทำอะไรก็ได้ทั้งงานไม่มีใครห้ามครับการเซ็นชื่อลงเวลาทํางานไม่ตรงความจริงอย่างนี้ถือว่าขาดศีลข้อมุสาไหมครับทั้งมุสาทั้งขโมยขโมยเวลาของเจ้านายไปแทนที่จะเวลามันทางานให้เขาก็เอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นขโมยทรัพย์ขโมยแล้วก็โกหกด้วย แค่เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ได้เพ่งแต่ไม่เก่งการ น, นั่งสมาธิควรทำอย่างไรดีต่อครับเพื่อให้หนอัดนักสมาธิได้ครับเพราะเวลาหลับตาและไม่นิ่งไม่เสถียรครับก็มีวิธีหลายวิธีถ้าเรายังดลมไม่ได้ยังนิ่งไม่ได้นอาเราสวนตไปก่อนก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ลองฟังเทศฟังธรงรมไปก่อนก็ได้ให้เป็นอารมณ์กล่อมใจไปก่อน แต่ก็อเราจะสามารถดูลมได้เราก็ค่อยนั่งดูลมไปเวลานอนหลับฝันทุกคืนครับทําอย่างไรดีความขอความกระจ่างจากการปฏิบัติครับความฝันมันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราถ้าเราชอบคิดทั้งวันทั้งคืนเวลาหลับมันก็จะฝันถ้าไม่อยากจะฝันก็ต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตหยุดคิด เวลามีความกังวลความเครียดเดี๋ยวนี้จิตเริ่มบอกว่าให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันตรงหน้าพอทําตามนั้นใจก็กลับมาปกติเบาสบายมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับเดี๋ยวนี้ใจเลยหาทางออกจากทุกข์ได้มากขึ้นครับเพราะใจเราไปหาทุกข์เองอยู่ดีๆไปคิดถึงมันทําไมพอเราคิดเรื่องที่จะทําทให้ใจเราทุกข์มันก็เลยทุกข์ขึ้นมาพอเราหยุดคิดถึงมันความทุกข์ก็หายไป การที่โยมนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วท่องอาการในกายสามสิบสองแทนพุโทโธเข้าออกคือการภาวนาไหมครับเ ป, เป็นใช้ได้เป็นกันใช้การสาสิบสองแทนพุโทโธก็ได้มีครั้งหนึ่งเคยฟังเทศหลวงตาแล้วจิตสงบลงรู้สึกว่าร่างกายนั่งแต่ใจดูอยู่ล้างจนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวสองกระจกแล้วเหมือนไม่ใช่เรา อยากทราบว่าจิตรเราปรุงแต่งไปเองหรือว่ารู้สภาวะธรรมจริงครับเป็นแค่หนึ่งวันครับก็จะรู้จริงตั้งแต่เมื่อเราร่างกายเป็นอะารแล้วเราไม่ไม่ทุกข์กับมันนะถ้ายัางทุกข์กับมันอยู่ก็ยังเป็นแสดงว่ายังไม่เห็นจริงแต่เห็นว่ามันไม่ใช่เราถาเกิดร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วกายเราเฉยๆอันนี้ก็แแ ส, งสดงว่าเห็นจริงต้องเอาความทุกข์มาเป็นตัวพิสูจน์ ว่าเรายังทุกข์กับร่างกายอยู่หรือเปล่าถ้ายังทุกข์อยู่ร่างกายแสดงว่าเรายังมองไม่เห็นจริงเราควรจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรไหมครับแล้วแต่เนาะผู้ชายมีภรรยาแล้วไปเที่ยวมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการอยากทราบว่าผู้หญิงที่ขายบริการผิดศีลข้อสามไหมครับ ผิดอยู่แล้วทั้งคู่คนไม่เที่ยวก็ผิดว่าสินค้าสารนี้เขาหมายจงให้มีคู่ครองให้มีความเพศัมพันกับคู่ครองเท่านั้นหลานชายเรียนจบเกียรตินิยมครับเป็นซึมเศร้าต้องกินยาทำยังไงจะให้หลานหายครับก็ฝึกสตินั่งสมาธิถ้าจิตสงบอาการซึมเศร้าก็จะหายไป มีคนที่เป็นอันตาพาลชอบทำร้ายคนอื่นเรารวมคนไปจับเขาไว้ขังเขาไว้จะเป็นการทำบุญหรือบาปควรทำหรือไม่ครับก็มีเจ้าหน้าที่ตารวจนว่จับคนที่ไปสร้างความเสียหายเดือดรานะให้กับคนอื่นก็ เ, เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้นเหมือนสัตว์ป่าอย่างเงี้ยถ้าสัตว์ป่าเข้ามาในบ้านในเมืองเราก็ต้องจับมันไปขังไปกุมป้องกันไม่ให้เขาไปทำร้า ย, ยานี้ไม่บาป ถ้าเราไปค่าเขามันทั้งย่ำบาปอานิสงของการเป็นสะพานบุญชวนให้คนทําบุญคืออะไรครับไม่รู้จะทำก็ <beard. S 2> เป็นการให้คนอื่นเขามีโอกาสได้ทําบุญแต้เขาไม่รู้ว่าจะทําบุญที่ไหนดีถ้านแหลรู้ว่าอาที่นี่เขากำลังทเรื่องทํานี่นนอยู่ก <s 2> ็บอกเข้าไป อันที่สองมไม่รู้จะได้อะไรมากมีคนบอกว่าการทําภาวนาถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับแล้วบุญนี้เราสามารถอุทิศให้ใครได้ไหมครับเราไม่นิยมอุทิศบุญหล่านี้บุญที่ใช้อุทิศก็คือการทําบุญทำทานไม่ไม่สามารถตอบจริงๆได้ว่าใช้เอาไปอุทิศได้ไหมไม่ เพราะมันก่อจะได้มันต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้านะมันถึงจะอุทิศได้อาบุญอย่างนั้นไปซึ่งบุจรชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ไม่มีวันที่จะ บ, บรรลุถึงบุญขั้นนั้นได้ถ้าอยากจะอุทิศบุญก็อุทิศในขั้นที่เราทำได้ก็คือทำบุญทำทานดีกว่าอาจารย์ครับมีพระบอกว่าขอ กำลังใจจากพระอาจารย์ครับพระพันเตครับที่รู้สึกว่ากําลังจะแพ้ภัยเพราะกา ร, รมราคะครับก็เนี่ยพระอาจารย์สอนให้ประชาชนอาการ32ตั้งแต่วันบวยพระอุ ป, ปรชาชก็สอนให้พิจชาชนอาการ5ก็อาการก่อนผมขนเม็ดฝันนังแล้วก็ให้ต่อไปถึงอาการ32ให้ครบ32ถ้าพยายามนึกถึงอาการ32อยู่เรื่อยๆการมาราคะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ นั่งสมาธิเช้าหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเป็นประจำทุกวันแต่ไม่ได้สวดมนต์เลยได้ไหมครับได้จะนํางเลยไม่สวดก็ได้จะสวดแล้วก็ไปนั่งก็ได้แล้วแต่ความพอใจส่งกรารลูกๆเอาพวงมาอวยพรและขอขามากรรมและตัดกรรมได้ไหมครับกรรมตัดไม่ได้แล้วแตการขอขามาได้อถ้าเราเกิดร่วมเกินพ่อแม่ด้วยเหตุได้เห็นหนึ่ง นางก็มาขอโทษขอเข้ามาพ่อก็พอ่พอแม่ก็มักจะให้อภัยลูกอยู่แล้วก็ไม่มีเวรม่ีกรรมกัน <c oughs> การจัดงานทําบุญมีญาติพี่น้องเพื่อนให้ซองร่วมทําบุญมาแต่ค่าใช้จ่ายจัดงานทําบุญน้อยกว่าเงินที่ได้รับจากทองมาช่วยคนที่ให้ซองมาได้บุญไหมครับและเจ้าภาพรับเงินที่เหลือเอามาใช้จ่ายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ คนที่เขาให้เนี่ยเขาก็เขาได้บุญนล้วเาก็ให้เต็มที่ไปเชน้อยบาทเขาก็ไม่สนใจว่าคุณจะไปใช้ไหนถ้าคนเอาไปใช้งานบุญแล้วมีเงินเหนือถ้าคุณไม่อยากจะไม่อยากจะเอามาใช้ส่วนตัวก็เอาไปทําบุญต่อให้หมดไปไมันก็จะได้เป็นบุญ ไ, ได้หมดเพราะว่านี้มันก็ไม่ใชเ่เป็นเงินที่เขาให้เรามาใช้ส่วนตัวอยู่แล้วเขาให้มาทําบุญ ทำไมเราถึงมีข้อแม้ในการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมครับไม่ใช่มหมายความไม่ยังไงคือมันกับว่าอาจจะเวลาจะปฏิบัติทีไรก็มีข้อแม้ขึ้นมาทุกทีครับอาจารยอ่าใช่มันเป็นเรื่องของกิเลสที่คอยขวางการปฏิบัติธรรมของเราแต่ถ้าไปเที่ยวไม่มีข้อแม้เลยเพราะไดทุกเวลาครับ <laughs> การเปลียนถามระหว่างการนั่งสมาธิกับการพิจารณาธรรมแล้วน้องเข้าสู่ใจอย่างไหนจะบรรลุธรรมได้เร็วกว่าครับเ่มันต้องทําทั้งสองอย่างต้องมีสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาธรรมถึงจะบรรลุธรรมได้ถ้าไม่มีสมาธิพิจารณาธรรมไปจนวันตายก็ไม่บรรลุไม่ได้ถ้ามีแต่สมาธิไม่มีการพิจารณาธรรมก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันต้องมีทั้งสองอย่างแต่เบื้อต้นต้งสร้างสมาธิขึ้นมาเป็นฐานก่อน ก็มีสมาธิแล้วก็าพิจารณาธรทำแล้วพอมีดวงตาเห็นธรรมก็มาดูธรรมได้นั่งรมสมาธิครับแล้วเกิดคําว่าอาธิปัญญาขึ้นมาอันนั้นเป็นมิจฉใช่ไหมครับควรจะพิจารณาอย่างไรครับก็ไม่ต้องไปสนใจถ้านั่งสมาธิ ก, ก, การกลับัาดุลมต่อไปถ้าดูลมถ้าพุดโทก็กลับมาพูดโทต่อไปอะไรที่ปรากฏขึ้นมาก็พิจารณาเป็นตายรักไปอันนี้จำทุกขังมันั้นตา ถ้าพระเคยยืมเงินเราไปแล้วไม่ได้คืนเราควรจะทําใจอย่างไรครับการทาใจว่าทําไปก็แล้ว <laughs> <laughs> การนั่งสมาธิเราควรจะนั่งกี่นาทีครับนั่งจะกว่าจะสงบอะมันเลยอยู่ที่เวลาถ้ายังไม่สงบก็เหมืกินข้าวยังไม่อิ่มมันต้องกินไปเรื่อยๆกินจนกว่ามันจะอิ่มแล้วค่อยหยุดกินไม่ใช่มากําหนดว่าเราจะนั่งกินข้าวสามนาที กินสานทีให้จะหยุดกินหยุดไม่ได้หรอกมันก็ต้องกินไปจนกว่ามันจะอิ่มนั่งสมาธิจริงๆก็นั่งบรรยากาศจริตจะสงบนะตายแล้วบริจาคร่างให้โรงพยาบาลญาติไม่จัดพิธีสวดแต่ทําบุญใส่บาตรแทนคนตายได้บุญไหมครับคนที่ใส่าบาตรกันได้บุญบุญชนอย่างเขาสามารถแบ่งให้คนตายได้ด้วยการอุทิศ บุญส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่คนคนเป็นถ้าเราอยากจะได้บุญเยอะๆเราก็ทําบุญก่อนตายจะดีกว่าอย่างบรรคนหนึ่งเขาทำบุญให้เราเพราะก็จะชักเปอร์เซ็นต์ไปเพระได้ไปเก้าสิบเราได้แค่สิบเดียวแต่ถ้าเราทํานัวนเองเราจะได้น้อยทั้งน้อยเลยบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ถ้าแปลความหมายก็คือความสุขใจปแปลว่าบุญกุศลก็คือความเจริญ ขอพระอาจารย์แนะนําเกี่ยวกับการออกจากกาม ร, ราคะหรือให้เรื่องกามมันเบาบางลงครับมันพิจารณาอาการฐานที่สองอยู่เรื่อยนึกถึงท่อมาท่อท อ, อาการฐานที่สองไปก่อนก็ได้ผมกดเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกแล้วก็ท่องกลับไปกลมาให้มันจําได้มันเป็นสูตรคูณแล้วขั้นตออไปก็นึกถึงภาพของมันผมเป็นยังไงคนเป็นยังไงเนเป็นยังไงฟันเป็นยังไงปอดเป็นยังไงตับเป็นยังไง ให้เรมนึกภาพขึ้นมาให้ได้แล้วต่อไปเวลาเราเห็นใครกำังพยายามนึกถึงภาพเหล่านี้ถ้าเห็นภาพเหล่านี้น ะ, รนะครับการมราคภามันก็จะไม่เกิดนะใส่บาตแล้วไม่ขอรับพรบาปไหมครับไม่บาปมันจะรับพรก็ได้ไม่รับพรก็ได้แต่ใ น, นมารยาทก็จะให้พรลราก็รับนไม่เสียไม่เสียศรัทธาของพวผู้ให้ แต่พรนี่มันไม่ได้เกิดจากการให้พรนะมันเกิดจากการกระทําของเราถ้าเราไม่ทํำต่อให้พระหลานมาให้พรเราเราก็ไม่ได้พรอยู่ดีแต่ถ้าเราทําำแล้วไม่มีใครให้พรเราเราก็ได้เราก็ได้พรอยู่ดีพรมันเกิดจากการกระทําไม่ได้เกี่ยวจากการให้ของคนนั้นคนนี้ไม่บาปจะมีกรรมไหมครับเช่นขับรถชนสุนัขวิ่งตัดหน้าไม่บาปแต่มีกรรมไหมครับ บาปกับกรรมไม่กันเดียวกันนะถ้ามาถ้าหมายถึงว่าเวรกรรมถ้ามีเวรหรือไม่ไม่มีชุนนักเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความตั้งใจที่จะาำร้ายเขาบางครั้งอยากเป็นผู้หญิงบางครั้งก็อยากเป็นผู้ชายได้สองอย่างต้องฝึกอย่างไรให้เป็นตัวตนที่แท้ครับก็ถ้าอยากจะเป็นผู้ชายก็พยายามฝึกฐันตัวเองให้เป็นผู้ชาย ทำองไรให้เปมืนเหมือนผู้ชายก็ทำกันอย่าไปทำอะไรที่เป็นเหมือนผู้หญิงก็ทำกันต้องพยายามฝืนนิสัยอาจารย์ครับการคิดถึงความตายตลอดเวลาคิดว่าตัวเองพร้อมจะตายได้ตลอดเวลาระลึกถึงความตายตลอดถือว่าเป็นธรรมไหมครับคือมันก็เป็นธรรมแต่มันจะได้ผลเราไม่ต้องไปพิสูจน์ดูว่าเราอยอมตายจริงหรือไม่ ต้องไปทดสอบเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใกล้เป็นใกล้าตายขึ้นมาถ้าดูว่าใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เฉยหรือไม่เฉยถ้าใจเราไม่ทุกข์ใจเราเฉยไม่หวัว่นไหวก็แสดงว่าเป็นธรรมนะปฏิบัติมานานแล้วครับแต่ยังฟุ้งซ่านบ่อยๆเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เราไม่เจริญสติก่อนไงเราไม่ฝึกสติก่อนเราไนั่งสมาธิเลยโดยที่ไม่มีการไม่มีสติ มัก็นั่งไปมันก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆต้องพยายามฝึกสติทั้งวันทั้งคืนก่อนตลอดเวลาอย่าให้ใจลอยไปลอยมาอย่าให้ใจคิดด้านนั้นด้านนี้นนคุณสิงโตครับน้อมกัลพะอาจารย์ครับผมไม่ได้มาคลายงานตัวนานเลยกต่ผมยังปฏิบัติทุกวันอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้เริ่มทําช่องธรรมะเผยแพทยธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์ทางออนไลน์หะกับผมขอโอกาสนําคลิป เสียงวィィิดีโอรูปภาพหรือข้อความธรรมะที่พระอาจารย์แสดงไว้ไปลงในช่องของผมโดยกับผมจะลงเครดิตที่มาขอคำสอนไว้ทุกๆ ก, ก, การเผยแพร่ผมทำได้หรือไม่ครับทำได้ทได้เป็นธรรมทานไม่มีการไม่ไม่ได้สมหวนในเกษตรเองได้ถ้าไปทำเพื่อเผยแพร่ไม่คิดสตามไม่หาไรายได้จากการการะทำ บาปไหมครับที่นึกตำหนิพระที่เรีย อ, อะไรเงินสร้างวัตถุแต่ไม่ปฏิบัติเอาทําใจอย่างไรครับก็ตําหนิเราดีกว่าตำหนิคนอื่นนะเพราะว่าถ้าตำหนิเราเราจะได้แก้ไขข้อบอกพร่องของเราได้แต่ถ้าเราไปตาหนิคนอื่นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราทําไมเวลาเราคิดสิ่งไหนบางครั้งก็เกิดขึ้นจริงๆ จ, จะเป็นไปได้ไหมครับว่าคิดแบบไหนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นครับ เราต้องพิสูจน์ด้ยวยเองวันนี้ก็ลองดูสถิติว่าเราคิดแล้วมันเกิดขึ้นได้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต้อยเอร์ซอันนี้เราต้องเป็นคนวิจัยเอาเองวิเคราะห์เอาเองบาปไหมครับที่ปล่อยให้พี่สาวดูแลแม่ที่แก่ชราเพียงคนเดียวเพราะเขาเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางครับเราไม่ได้บุญน่นเองไม่บาป เป็นคนพูดเพเจอครับจะแก้ยังไงครับก็พยายามฝึกสติอย่าให้คิดมากแล้วพอ ม, มีสติว่าพอจะพูดอะไรก็ให้รู้ก่อนให้รู้ก่อนว่าเราก็ลังจะพูดอะไรถ้าไม่จาเป็นจะต้องพูดก็หยุดมั น, นยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งพบเจอกับเจ้ากรรมในเวรเร็วขึ้นจริงไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ละคนมันอาจจะต่างกันไป เมื่อสองปีที่แล้วเจอทุกข์มากตอนเสียลูกในคันร้องไห้เห็นเตียงข้างๆเป็นยายอายุ90ที่เพิ่งเสียไปใจเลยกลับมาคิดพิจารณาว่าทุกคนต้องตายแก่ก็ตายในท้องก็ตายใจจึงยอมรับแสดงว่าเห็นสิ่งรอบตัวกำลังแสดงไตรักษใช่ไหมครับตอนนี้ภาวนามาสองปีแต่ยังไม่ก้าวหน้าแต่สีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆแล้งการภาว น, นาันจะได้สงบจิตจะ้สงบได้ ขาสติอย่างเดียวไปภาวนาสิบ ป, ป, ปีก็เหมือนเดิมไม่ก้าวหน้านอนไม่หลับเลยครับจะต้องทำอย่างไรมันทรมานมากครับหยุดคิดให้ได้ต้องฝึกสติเวลาจะนอนก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่พุโทโธได้เดี๋ยวสักพักจิตก็จะหลับได้ พ, พี่ยืมเงินไปไม่เคยคืนเลยส่วนตัวก็ไม่ได้ทวงทำใจแล้วแบบนี้ถือว่าเราได้บุญไหมครับได้ใจเราไม่ทุกข์กับเขาไแต่เราไม่ได้ความอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะถ้าเราทุกข์ก็สแสดงว่าอะไรยายัา ง, ยางไม่ได้ให้เขาอย่างไม่ได้เสียสระการฝึกสติคือการรู้เห็นตามความจำเป็นไหมครับไม่ให้รู้อยู่กับ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรากําหนดให้เป็นที่ตั้งของสติเช่นท่านเนื้าดูใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติแล้วก็คอยเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ระยะเวลาในการบวชเป็นพระมีผลต่อบุญมากบุญน้อยไหมครับอ่าถ้าบวญมากก็จะได้บุญมากไง ต้องอยู่กับคู่ที่เครียดโวยวายจะต้องทำอย่างไรครับก็ทาวันทำใจเฉยๆไปปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาล้วห้ามเขาไม่ได้ทำสติดูว่าตัวเราไม่ใช่เรามองทุกสิ่งเป็นอนิจจมีความสงบภายในใจบ่อยๆรู้ว่าคิดแต่ก็พอหยุดได้แบบนี้ต้องไปพิจารณาด้านใดเพิ่มครับ ต้งเป็นอของจริงเนี่ยอย่งวาที่น่านกลายเป็นอะไรขึ้นมานั่ดูสิว่าเราเฉยได้หรือไม่เช่นตอนที่แผ่นดินไหวถ้าเราเกิดอยู่ตรงที่มันสั่นอยู่มบนตึกที่มันสั่นนั่นดูสิว่าเราตื่นเต้นตกใจหรือเปล่าในช่วงสงกรานตุกทุกปีที่บ้านทำบางสกุลให้ญาติผู้่วงรับอยากทราบว่าวแตกต่างกับ ก, บการทำสังฆทานไหมครับ ไม่ต่างทางมีหลายแบบด้วยกันแต่ก็มีอ น, นุชงเหมือนกันได้บุญเหมือนกันวันพบุรุษที่เสียชีวิตมาหกสิบปีแล้วลูกหลานทําบุญในท่านเหล่านั้นได้รับบุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขารอรับบุญหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้รอรับเขาก็ไม่ได้รับพระอาจารย์ครับเขาบอกว่าเลี้ยงลูกส่งเสียให้เรียนมา หวังจะได้พึ่งตอนแก่แต่พอถึงเวลาก็ไม่ได้อย่างที่คิดครับก็ไม่มีอะไรแนะ่นอนนะ น, นี้จัลูกก็เป็นเหมือนคนทั่วไปบางคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีแล้วแต่ว่าเราจะได้ลูกแบบไหนลูกทอร์พีหลูกกระตันยูลูกสาวทำล็อกเกตจี้รูปพระจารย์หายครับ ขอเข้ามาพระอาจารย์ด้วยนะครับปกติเขาใส่ติดคอตลอดครับเป็นเด็กป .1 ครับพระอาจารย์ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างไรมันเป็นเรื่องอนุจรงมันไม่มีอะไรแน่นอนเกิดได้ดับได้พระขับรถยนต์ได้ไหมครับไม่ได้หรอกพระวินัยทําไม่ให้อนยยุญาตครับสมัยก่อนไม่มีไม่มีรถยนต์แต่รู้สึกจะห้ามมให้ขับเกวีนไม่อะไรพวกนี้ ใดรอว่าท่านจะนั่งร้ายคนหลึ่งกขขับให้แทนแต่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจไม่ลังเนสงสัยใดในพระธรรมของพระเจ้าอย่างที่ได้ฟังพระอาจารย์นำแสดงอย่างนี้มาก่อนนะคะพระอาจารย์รยึดหลักพุทธแ ต, แต่ว่าไม่ถือศีลห้าอย่างนี้มีโอกาสจะหลุดพ้นไหมครับไม่ได้หรอกไม่ถึงศีลห้ามันไมะไปติดที่อะไร ตายไปก็าไปเกิดเป็นเนราชาบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเห็นแล้วว่าตัวเราวงเดฟวว่าจิตนะครับมืดบอดเองไม่เกี่ยวกับอะไรตลรักทั้งสิ้นพระอาจารย์กรุณนาวาดแผนที่เส้นทางให้ดูแล้วกับผมขอทิฐานจะนำธรรมที่ได้ยินไปปฏิบัติให้เต็มกำลังสติครับสาธุสาธุ นำคำสอนพระอาจารย์มาใช้กับตนเองโดยการไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านซึ่งไม่ถูกกันมาก่อนตอนนี้เพื่อนบ้านที่ดีต่อกันแล้วนะครับความเมตตาคำจุนลงนเข้าวสารไปถวายพระที่แกชะลาให้ท่านเอาไว้หุงข้าวฉันเองอย่างนี้โยมบาปไหมครับไม่บาปแต่พระหุงเองไม่ได้พระทำกข้าวเองไม่ได้พระก็ต้องให้ลูกศิษย์ ท, ทาให้ ถ้าเป็นผ้าป่วยก็ต้องมีคนดูแลอยู่คนดูแลเขาก็จะไปทําในของอาหารดิบมาเขาก็จะไปทำเป็นของข้ามาถวายท่านในภายลังมีคนนําเงินมาให้ช่วยลงคะแนนเลือกตั้งหากเราไม่เลือกจะเสียสีนข้อสี่ไหมครับและหากเรานําเงินนั้นมาใช้เราบาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาให้เราเพื่ออะไร ถ้าให้เราเราต้องเป็นเลือดให้กับเขานี่ก็หมือนกับว่าเขาก็มาขายเสียงซื้อเสียงจากเราไปที่มันก็ผิดกฎหมายไม่ทราบจะผิดศีลหรือไ ม, ไม่ไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่ได้ไปขโมยเงินเข้ามาแต่ถ้าไม่เป็นเลือด ก, ก็เหมือนโกหกอีสิีนหนึ่ <laughs> <laughs> ถ้าเราโอนเข้ามาแล้วก็ต้องเป็นเลือด <laughs> ถ้าไม่เลือดเขาก็แสดงโกหก บักรวมไม่ซื้อสัตว์ถูกไม่รับดีกว่าไหมจ๊ะายถนตามวัดที่มีให้ทำบนไปจะได้บุญไหมถ้ั บ, บันรพระพรทธหลุดจะได้รับครับได้เหมือนกับไปซื้อที่รา้าน กับเรียนถามเพิ่มเติมครับตอนเวลาส่องกระจกทีไรรู้สึกว่าคนในกระจกไม่ใช่เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วจะรู้สึกว่าตัวเราที่จริงแล้วดูดีกว่าในกระจกที่คนอื่นมองไม่เห็นจากภายนอกแบบนี้ถือเป็นความหลงไหมครับเพราะตัวตนเราไม่มีครับจะมีไม่มีก็ต้องอยู่ที่ว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราเฉยได้ไห ม, ไหมถ้ามไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ตัวเราเราต้องเฉยได้เหมือนคุณหมอเป็นอะไรเราก็เฉยเฉยได้คุณหมอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณหมอตั้งใจจะฆ่ามแมลงสาบนะครับแค่ตั้งใจนะครับบาปไหมครับยังไม่สำเร็จก็ยังไม่บาปพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไป กรรมเก่าที่ยังเผลอไปคิดยังต้องรับกรรมส่วนนั้นอยู่ไหมครับกรรมเก่าที่เผลอไปคิดนัมันมันมันไม่มีผลหรอกแต่กรรมเก่าที่ทําไปแล้วมันมันยังมีผลมยู่มันอาจจะตามมาตามมาให้เรารับผลได้อยู่เพียงแต่เราคิดนี่ยังไม่เป็นกรรมใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ําเป็นอะไรไหมครับก็หมายถึงถ้าอยากจะอุทิศบุญ อุทิศโดยที่กดน้ําใช้น้ําก็ได้ไม่ใช้น้ําก็ได้เพียงแต่เราคิดภายนนในใจว่าเขาทิ้งบุญชนนี้ให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้ว mm hmm. ก็ถือว่าได้อุทิศแล้วได้กดน้ําแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําบุญที่เราทําจะส่งผลต่อเราในชาตินี้หรือตอนที่เราตายแล้วและจะส่งผลทําให้เราประสบความสําเร็จหรือทําให้เราเกิดความสุขใจครับอาจารย์ ก็เกิดตั้งแต่ตอนปัจจุบันแลตอนที่เราตายไปแล้วและตอนที่เรากลับมาเกิดใหม่มันมีสามตอนด้วยกันตอนปัจจุบันเวลาเราทําบุญแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วบุญนี้ยังสะสมอยู่ในใจเราอยู่พอเราตายไปบุญนี้จะเป็นตัวที่จะให้ความสุขกับดวงวิญญาณของเราก็หมายถึงส่งใจเราให้ไปอยู่ในสวรรค์แล้วพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ บุญที่เราทำไว้มันก็จะสมงผลให้เราเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มั่งคัง่งที่มีฐานะการเงินการเงินที่ดีเพราะว่าเราได้สะสมบุญไว้มันได้สามตอนเลยการทำบุญขับรถอยู่จูจ่ๆนามะรูปังรูปังอนัตตานามอนัตตาคนหายรถหายโลกหายหมดสักคู่คืนเป็นปกติอย่างนี้คืออะไรครับ ก็ไม่รู้เหมืกันนะก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันคจิตยามันก็มันก็คิดอะไรไปได้ไดไเร<น>ื่อยๆไปไล่แต่เหตุปัจจัยอะไรที่ทาให้คนเราเกิดความโกรธและต้องปฏิบัติอย่างไรให้ไม่โกรธครับเวลาอยากได้อะไรมันไม่ได้จังใจอยากเขาโกรธเหตุที่ทําให้คนโกรธก็คือความอยากถ้าเราไม่มีความอยากเราจะไม่โกรธใคร นั่งสมาธิแล้วตัวเบาๆเหมือนตัวลอยแบบนี้มาถูกทางหรือยังครับถูกทางนะ้าใจมาออถ้าเราเข้าใจผิดว่าการทําบาปแล้วไม่บาปหรือทําแล้วได้บุญเราจะได้กรรมตามที่เรากระทาหรือตามที่เราคิดเข้าใจครับไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่การกระทําของเราถ้าทําบาปแต่เราคิดว่าไม่บาปมันก็ยังบาปอยู่ เป็คนคนบางคนเขาคิดว่าทํามะกินด้วยการฆ่าสตวต์ชีวิตนี้เป็นเป็นความจําเป็นไม่บาปเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองอันนี้เขาเรียกว่าทําบาปด้วยความหลงด้วยความแม่นตตนตายไปก็ไปเป็นสัตว์ในราชาสตร์กับสะกดจิตสามารถทําได้จริงไหมครับไม่รู้เหมือนกันเราไปถามคนที่เําทำสะกดจิตอยู มีพี่ฝากทองคำไปถวายพระโดยพี่ไม่ได้ถวายเองให้เราไปถวายพระแทนอย่างนี้ตัวเราได้บุญไหมครับเราได้บุญจากการรับใช้แต่เราไม่ได้บุญจัดกับทองที่เราไปถวายให้เขาอันนั้นเป็นของเขาเป็นบุญของเราลยางนั้นใส่บาตรพระให้พรโยมควรจะยืนหรือนั่งยองๆรับพรครับนวแต่ความเหมาะสมก็แล้วกัน เพื่อนติดเกมแต่บอกว่าตัวเองกําลังเจริญสติเวลาเล่นแบบนี้เราควรอธิบายเขายังไงครับก็เหมนต้องอธิบายเขาเขาอยากจะเล่นก็ปล่อยเขาเล่นไปครับถ้าใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ําอย่างนี้คนตายได้ไหมครับคือคําว่ากรวดน้ํานี่หมายถึงไม่อุทิศบุญใช่ไหมถ้าไม่อุทิศบุญก็ไม่ได้แต่การอุทิศบุญนี้ไม่จำเป็นเราใช้น้ําก็ได้เป็นแต่เราเลนภายในใจนะ ก็ถือว่าได้โอกมาแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำเป็นคนที่วิตกกังวลควรจะใช้หลักธรรมใดในการปฏิบัติเพื่อให้จางคลายหายจากอาการนี้ครับก็อันนี้จังนะเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่ น, นอน whatever will be will be ท่องเพลงเพงนี้ว่าเจสราเสราร น, น้คนไม่มีใจกานวนได้ว่าอะไรจะเกิดขึน้นไม่เกิดขึ้น ทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันก็แล้วกันทาเท่าที่เราทำได้เราสามารถที่จะนอนสวดมนต์ได้ไหมครับสวดจนหลับครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการสวนให้จิตสงบก็ไม่ควรยังอยู่ในท่านอนเพราะถ้าอยู่ในท่านอนนก็จะหลับมันจะไม่ได้ความสงบไม่ได้สมาธิการเป็นถามพระอาจารย์ครับสติคือหัวใจของจิตสติคือหัวหน้าถูกไหมครับ ใช่สติเป็นผู้นาถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ได้พิจารณาทางปัญญาก็ไม่มีไม่ไม่มีกำลังที่จะไปช่วกับปีเลนได้การที่เราต้องอยู่คนเดียวลูกและสามีตายจากเรามีกรรมอะไรครับไม่หรอกมันเกิดมาทงคมันไม่ช้ า, า, าก็นแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวการภาัพ า, พาจากการเป็นธรรมดา มาดูแลแม่แต่แม่ไม่ฟังเราเลยที่เราบอกรู้สึกตัวเองมาทำบาปแทนที่จะได้บุญพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับไม่บาปหรอกถ้าเรามาทำดูแลแมแล้วก็ดูแลไป่วนแม่จะฟังเราไม่ฟังล้วก็อย่าไปอังคับท่านก็นแล้วกันถ้าไม่ฟังก็ไม่ต้องพูดเราไม่มีหน้าที่มาสอนแม่บอกแม่อะไรเรามีหน้าที่มาเลี้ยงแม่ดูแลแม่ก็ดูแลไปอันนี้เราก็ได้บุญอยู่แล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าบันพบุรุษเรามารอรับบุญครับให้รู้หลักถ้าเราไม่มียานอย่างพระพุทธเจ้าคนที่ไม่มีคู่ชีวิตถือเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่ต้องมีพันธะเข้าใจถูกไหมครับก็ อ, อยู่คนเดียวมันดีกว่ามีขันท่าเพียงขันเป็นชุดเดียวนี่ก็มีสองชุดนะถ้ามีคนหนึ่งก็ต้องมาแบา่งขันท่าอของไอ้คนหนึ่งต้องคอยดูแลช่วยเหลือกัน มีพระขับรถปาดหน้าครับเผลอพูดไม่ดีออกไปมารู้อีกทีว่าเป็นพระแบบนี้บาปไหมครับคือไม่ว่าจะเป็นใครมันก็ไม่ดีการพูดอาจาที่ไม่สุภาพพุทธสว่านคารวาสสามารถสามารถเป็นอรหันต์ได้เช่นเดียวกับบรรพชิตใช่ไหมครับได้ถ้าสามารถชำระจิตใจสะอาด กำจัด ก, กิเลสให้หมดไปจากใจก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถายเหล้าครับแต่ไม่ได้ดื่มอย่างนี้ผิดศีลไหมครับไม่ผิดเลยแต่เพดสัมมาอาชิวไ ม, ไม่ควรทาอาชีพแบบนี้เวลานั่งสมาธิถ้ามีเสียงดังจัดสะดุ้งตกใจถือว่าสิ่งก่อสร้างและจะแก้อย่างไรครับ ก็เฉยๆไปถ้าลูกตกใจแล้วก็กลับมาใจเป็นปกติก็ผ่านไปไม่มีอะไรต้องทำลูกชายเสียชีวิตไปเมื่อเจ็ดเดือนแล้วครับแม่วางอาหารและน้ำเครื่องดื่มหน้าฉากรูปถ่ายในวันพระเดือนละครั้งได้ไหมครับได้แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะ ให้ได้รับประโยชน์ก็ทําบุญใส่บาตรหรือลอยจันทรนให้กับโรงพยาบาลแล้วก็อุทิศบุญที่ไปให้กับผู้ตายไปผู้ตายก็อาจจะได้รับประโยชน์ถ้าเขารอรับอยู่วันนี้วันพระกลับจากทําบุญบนถนนเห็นนกพิราบบนถนนแต่เราหักหลบไม่ได้แต่ไม่ทราบว่าชนหรือเปล่าแต่ถ้าชนไปอย่างนี้บาดไหมครับไม่บาดไม่มีเจตนาไม่บาด ติดสงบอยู่กับคนเยอะไม่ได้แล้วจะหงุดหงิดครับอาจารย์ก็ดีเราจะได้ไปอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราต้องอยู่กับหลายคนเราก็ต้องฝืนรับใจว่าถ้าเรา อ, อยู่กับเขาไปถ้าถ้า จ, จําเป็นจะต้องอยู่ก็อย่าไปทุบทุกเพราะว่าอยากจะสงบดยู่ทีเราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราสงบได้หรือไม่ในขณะนั้นถ้าสงบไม่ได้ต้องเกี่ยวข้อกับคนนั้นคนนี้นก็ต้องปรับใจเรา ให้รับกับความสภาพความเป็นจริงใจเราก็จะไม่ทุกข์ศา ส, สนาพุทธต่างกับปรัชญาที่เป็นแนวคิดอย่างไรครับปจจรัชญามันก็มีแนวคิดหลายอย่างแล้วแต่คนจะคิดศา ส, สนาพุทธนี้มีแนวคิดทางปัญญาทา ง, านนงทด้านความทุกข์ใจท่านนั้นเองควรให้เงินใช้ไม่ครับ เขาเอาเงินที่เราให้ไปซื้อยาเสพติดเช่นชาน้ํากระท่อมครับไม่ควรนะถ้าอยากจะให้ทองก็ให้เขาของเช่นซื้ออาหารแห้งข้าวสารปลากระป๋องไปให้เขาอาจจะใช้ให้เงินแล้วเข้าไปเล่ น, นการพนันไปซื้อสุลามาเดิมเลือกไปเที่ยวอะไรต่างๆเหลนี้ก็ไม่ควรจะให้เงินเช่นก็ใช้แบบนี้เพราะเป็นเป็นโทษกับขา้าม้ากับเป็นคุณ เมื่อเสียชีวิตแล้วดวงจิตจะไปสุขติภูมิหรืออบายภูมิตามแต่บุญบาปที่ทำแล้วทำไมถึงยังมีดวงจิตที่เร่ร่อนอยู่ครับก็เร่ร่อนก็เป็นพวกบุญที่พวกที่ทำบาปไพวกเหล่นี้ก็เป็นดวงวิญญาณที่เร่ร่อนถ้าใครที่สนับสนุนคนที่บ่อนทำลายประเทศอย่างนี้บาปไหมครับ ก็อย่างนั้นก็นคนที่ไม่มีความเมตตาคนที่มีความเมตตาจะไม่สนับสนุนในคนไปทําร้ายผู้อื่ในเขาจะเป็นใครก็ตามทําบุญแล้วนานแค่ไหนถึงจะอุทิศบุญได้ครับบางทีไม่ได้อุทิศทันทีครับก็อุทิศได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราความรู้สึกมันจะต่างกันเพราะถ้าเราทําไปแล้วเราตอนเย็เข้ามานึกถึงนี้ ความรู้สึกบุญที่เราได้ตอนนั้นมันก็ไม่เหมือนกับตอนที่เรามาเาลึกถึงตอนตอนเย็นไม่อกลับอาหารนะอาหารหเมอเาเสร็จใหม่ๆกินมันก็มีรสโอชาอะไรอร่อยกว่าเราไปกินตอนที่มันเย็นนะแต่มันก็ยังเป็นอาหารอยู่มันกินได้อยู่ได้ยินหลายช่องเทศนาว่าสําเร็จเป็นพระโสดาบันได้ด้วยการฟังจริงหรือครับถ้ามีสมาธิอยู่แล้วก็ได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่ได้เขาบอกว่านึกว่าจะสําเร็จประสบดับันได้ด้วยการปฏิบัติจนเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราครับก็นั้นนหละก็ต้องปฏิบัติสมาธิให้ได้ก่อนอนะพอได้ก่อนแล้วพอ ม, มาศึกษาทงรรางปัญญาปัญญานี่ก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุ น, นก็สามารถปล่อยวางกิเลสได้ปล่อยว่าความอยากได้ ถ้าตอนนี้ตั้งใจภาวนาแล้วรู้สึกว่าอึดอัดมากแบบอยากออกไปที่โล่งๆเวลาที่อยู่ในอินดอร์ในบ้านเพราะอะไรครับต้องอดทนต่อไปครับเพราะความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นนั้นมันก็เลยทําให้น้อรู้สึกกดดันเวลาที่เราปิดกัน้นใจไม่ให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นมันเราต้องใช้สติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นมันนั้นมันก็จะเร็วนพอเลือ น, นแล้อาการอึดอัดก็จะหายไป บิดามารดาเสียชีวิตแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปเกิดแล้วหรือยังรอรับบุญอยู่ครับถ้ามีญาตินะแนี่ยอย่างท่านได้หากอยู่ไกลจากแม่แต่ให้เงินแม่ได้บุญไหมครับได้ขับรถชนมาแต่ไม่ตายครับถ้าไม่มีเจตนาแบบนี้เราก็ไม่บาปเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ การถวายสังฆทานจะถวายได้บ่อยๆใช่ไหมครับได้ถวายทุกวันก็ได้เหมือนกับ ก, การใส่บาตรนะสังฆทานก็เป็นการให้แบบแบบมาครบชุดไสังฆทานก็วาจะจัดจปัดจจัยสี่มีมีอาหารมีผ้ามียารักษาโรค่ย การทำบุญแล้วเขียนชื่อบังสกุลส่งไปได้บุญใช่หรือไม่ครับก็ไม่ต้องเขียนส่งก็ได้เพียงเวิพากษ์วิจารก็ได้นะการที่เราฟังข่าวคอร์รัปชันและเผลอไปวิพากษ์วิจาร์อยากให้เขาได้มีจิตสำนึกดีจะมีผลทำให้เสียศีนข้อสี่ไหมครับถ้ า, ายังไม่พูดออกไปก็ยังไม่มีผลแนตะ่ทำให้ใจเรา มมโหไปก็เปล่าไปคิดถึงเรื่องไม่ดีอย่าไปสนใจดีกว่าแค่คิดว่าเราอยู่ในโลกที่มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วปะปนกันไปเราก็อย่าไปสนใจคนชั่วก็เรื่องของเขาไปเรามาทําความดีกันดีกว่าสนใจเราจะได้มีความสุงบกบานถ้าเรารู้ว่าพระไม่ค่อยปฏิบัติตามพุทธรรมวินยัยชอบใช้อารมณ์ เราใส่บาทให้อย่างนี้ได้บุญบ้างไหมครับได้เดือนหนึ่งมีวันพระอยู่สี่วันอยากถามว่าวันพระไหนสําคัญสุดกว่ากันใช้วันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำไหมครับไม่เท่ากันวันพระหมายว่าให้เราหยุดทํางานเพื่อไปปฏิบัติธรรมความหมายอยู่ที่ตรงนั้นถ้าทําบุญแล้วบิดามารดาไม่รอรับแล้วบุญจะไปอยู่ที่ไหนครับ ก็จำมาหาเราการให้หมายถึงการได้บุญใช่ไหมครับการให้แล้วจะทำให้เรามีความสุขใจความสุขใจนี้ก็คือบุญจะต้องทำบุญอะไรครับถึงจะให้มีเมตตาค้าขายดีมีโชคลาภครับออคนละเรื่องกันนะม การทําบุญให้ทานนี่ให้เกิดเมตตานี่ยเกิดอยู่แล้วแต่จะให้มีโชคลาภนีคนละเรื่องกันทําบุญแล้วให้มีโชคลาภ ม, มันไม่เกี่ยวกันมันไม่เป็นเหตุเป็นผลการอุทิศบุญคือการใช้ใจนึกถึงบุคคลที่เราต้องการอุทิศบุญให้เข้าใจอย่างนี้ถูกหรือยังครับใช่เราไม่พายเรียในใจอะไรว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับคนนี้นคนนี้นที่ล้องรับไปแล้ว เขาก็จะได้รับถ้าเขาเรอรอบอยู่เราเคยบอกไว้ว่าจะใส่บาทตอนเช้าทุกวันแต่ไม่ได้ตื่นไปใส่ตอนเช้าแต่นําเงินใส่บาทพระพุทธทุกวันได้ไหมครับก็ผิดเสียสัจจะคือไม่ไม่ได้ทําตามที่เราตั้งสัจจะไว้แต่เราก็ยังได้ส่วนที่ทําบุญอยู่เพนั้นเวลาที่เราจะตั้งสัจจะเราต้องคิดก่อนให้ดีว่าเราทํำตามที่เราตั้งสัจจะไว้ได้หรือเปล่า ไม่น่าจะเป็นคนที่หลอกลวงตัวเองอยู่เร่อยรัฐบาลต้องการเปิดบ่อนหวังสิ่งใดจากเงินผู้เล่นเลทแต่คนในรไม่เล่นการพนันและไม่ให้ค้อบครัวเล่นการพนันอย่างนี้ถูกต้องเหมาะสมไหมครับจะเป็นการทำชั่วทำบาปอย่างไรหรือไม่ครับก็มันเป็นาบายอย่างรุแรงอย่างเงี้ยการเล่นการพ น, นันใครเป็นเล่นการพ น, นันส่วนใหญ่ก็จะเสียมากกว่าได้ เจอแต่คนชอบด่าว่าเราแต่เราก็ไม่ได้ตอบโต้เขาจะได้รับผลยังไรมันเป็นเวรกรรมไหมครับเขาก็จะเหนื่อยไปเองถ้าเราไม่ตอบโต้เดี๋ยวาก็าอยู่เองทำไมยืน่ะครับสวดมนต์และนั่งสมาธิรู้สึกร่างกายร้อนครับไม่รู้เหมือนกันนันงใมันก็ มันจะร้อนขึ้นมามันก็ร้อนได้น้องแล้วแต่อากาศหรือเปล่าการใจนี้ไม่ใช่เรากับการยังรักสวยรักงามอยู่จะขัดกันหรือเปล่าครับขัดก็แสดงว่าเรายังยังถือว่านั่งกายเป็นตัวเราอยู่ถ้าไม่ใช่ตัวเราอยู่เราไปไปแต่งตัวให้มันสวยงามแล้วให้เหนื่อยไปทํำไม มีแม่ติดเหล้าครับหนูเป็นลูกแล้วตําหนีไปหนูเป็นบาปไหมครับไม่ควรทำหนีแม่ไม่ควรทำหนีผ้ผู้ผู้มีทระคนผู้บังเกิดก้าวข้าราชการที่เอาผลประโยชน์ของประเทศไปเป็นของตนเองบาปไหมครับก็าบาปไลยก็มืน ข, มขมโมยของเวรกรรมนี้สามารถจะแก้ได้ไหมครับ วมที่ทาไปแล้วแก้ไม่ได้แต่เวรกรรมไหนถ้าถ้าเราไม่ทํามันก็มันก็ไม่เกิดขอวิธีระงับความโกรธอย่างทันท่วงทีครับอาจารย์ต้องฝึกสติอยู่บ่อยๆพอเกิดความโกรธขึ้นมาพอรู้ป่าวว่าโกรธก็หยุดได้ทันทีถ้าเรามีสติถ้าไม่มีสติยังโกรธก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธนวยส่วนมันไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะลืมเรื่องที่ทาให้เราโกรธได้ความโกรธก็จะหายไปชั่วคราวทำหมันสุนัขบาปไหมครับไม่บาปเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกวูบลงไปจากนั้นแล้วรู้สึกนิ่งทุกอย่างเงียบไปหมดแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมครับหรือถ้าผิดต้องแก้อย่างไรครับก็อยู่ที่ว่ารู้สึกตัวหรือไม่ถ้ารู้สึกตัวก็เป็นสมาธิ ถ้าไม่รู้สึกตัวก็หลับคนตายเพราะกรรมตัดรอนจะได้ไปเกิดเร็วไหมครับก็ขึ้นอยู่กับมือ บ, บาปที่ทำไว้ว่ามีมากมีน้อยอย่างงต้องไปรับผลมือผลบาปก่อนก่อนที่จะไปเกิดมันรุนได้ เหตุใดตอนภาวนาโดยกําหนดสติถึงต้องพยายามนึกหรือคิดครับเหมือนคิดไม่ออกตื้อตื้อต้องแก้ไขอย่างไรครับถ้าไม่คิดก็ไม่ต้องทําอะไรให้รู้เฉยเฉได้ก็ดีให้ใช้การดูลมแทนไปไม่มเฉยเไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรไม่ต้องสวน การที่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วกลับมาเราบอกลูกว่าเอาบุญมาฝากลูกแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอกมีใครบนมันมีพี่ชายสองคนครับคนแรกบวชพระคนที่สองเสียสตินานแล้วและเสียชีวิตเราควรใส่บาตรอุทิศบุญให้ได้ไหมครับได้ ทำบุญแล้วอุทิศบุญโดยระลึกว่าให้ญาติทุกคนแต่ไม่ระบุชื่อเพราะมีหลายคนญาติจะได้ส่วนบุญทุกคนไหมครับหรือต้องระลึกระบุทูกชื่อทุกคนครับไม่ต้องจำระบุชื่อกันเลยท่านผ้มาปญาติพี่น้องทั้งหลายพ ไ, ได้ทุกคนบาปก็ไม่ค่อยได้ทำบุญก็ทำน้อยครับตายแล้วจะไปไหนครับก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ม่ บางทีฟังสื่อแล้วจิตใจเศร้าหมองจะทําอย่างไรดีครับก็อย่าไปฟังมึงเห็นพระอาบน้ํามนต์ให้ญาติโยมอยากท่านทําไปเพื่ออะไรครับทําด้วยความหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็ความเชื่ อ, อว่า น, น้ำมนต์นิสสักสิใครอานโน้วจะทําให้ชีวิตจะหลั่งนุ่มเลยนั่นเองเป็นความหลงความเชื่อไม่ตรงกับความเป็นจริง พระเจ้าดีชั่วอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่น้มนตไม่ได้อยู่ที่การทำน้ำมนตทําบุญแล้วอุทิศบุญโดยระลึกว่าให้อันนี้ไม่ไปแล้วครับธาตุขันในเพศคารวัตไม่สามารถรองรับธาตุขันพระอรหันต์หากคารวัตบรรลุพระอรหันต์ต้องบวชภายในเจ็ดวันนจริงไหมครับไม่จริงครับมันไม่เกี่ยวกับธาตุขัน ฉีดยาเข้าหนูทดลองและฆ่าหนูที่ทดลองอย่างนี้เป็นบาปไหมครับบาปทุกวันพระใหญ่มักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีอยากรู้ว่าเกิดจากวิบากกรรมอะไรครับไม่รู้เหมือนกันคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับเวลาพระบินทบาตเราใส่บาตรด้วยเงินได้ไหมครับถ้าไม่ได้จะบาปไหมครับ ได้แต่อยู่ที่ว่าพระท่านรับเงินกับตัวท่านเองได้หรือไม่พระบางรูปท่านยังไม่ น, นับเงกับตัวของท่านต้องให้ฝากให้กับลูกศิษย์พอาการกับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนฟังอยู่ในเฟซ596ในยู624ในครับ6ทิกตอก637ครับรวม 1,863 คนนะครับ อ่านคำถามแรกเวลา20นาิ14นาทีวันน <coś S 2> <rawd unre> ี้พระอาจารย์ตอบไป175คำถาม175เอ่เลยไม่ไม่น่าเชื่อมากขนาดนั้นนะก็ดีก็ยินดีตอบยินดีตอบคำถามล้วคำถามถ้าตอบได้บางคำถามถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยบางว่าคขไม่ถือษากันการสนทนาธรรมตลับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงทรั้งนี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอนไรก็คงจะได้พบกันอย่างเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ